ตนเองก็ไม่สามารถจะอ่านเรื่องของตนเองออกไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรมีแต่ธรรมชาติที่เหนือป่าอยู่ภายในจิตใจนั้นพัดถันดันไปพบนั่นพบนี้สูงสูงต่ำต่ ำ, ตำลุ่มๆุมร้อนรอน อยู่เรื่อยมาและเรื่อยไปหากวันโลกนี้ไม่มีทำเป็นเครื่องนําออกรวยแล้วสัตว์โลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเขาติดคุกติดตารางหาวันออกไม่ได้จนกระทั่งตายกับตารางรอเดือนจํานั้นทุกรายทุกรายไม่มีเว้นแต่การติดคุก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 สิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นเครื่องบังคับจิตใจของตนให้เกิดในพบนั่นพบนี้และจะไม่มีทราบได้ตลอดไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางทั้งจะไม่ทราบความผิดถูกชั่วดีของตนถูถ่ยไปอย่างนั้นไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีการ เมล่ไมลำเวลาเข้าไปตัดสินได้เลยสำหรับสัตว์ผู้มีวาสนายังพอจะได้สัมผัสสัมพันธ์าศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามและเป็นเครื่องนำออกนี้ได้ไปโดยลำดับพอที่จะทำให้มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับ เ, เขาติดกุ๊กติดตารางมีวันพ้นได้อย่างนั้น เพราะธรรมชาติอันนี้ไม่มีสินใดในโลกนี้ที่จะฉุดลากจิตใจของสัตว์โลกที่จมอยู่ในวัฏจักรคือหมุนไปเย็นมาอยู่นี่ให้ออกไปได้พ้นจากโลกวี่ไปเสียดังที่ท่านว่าบุดพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องความเกิดแก่เก็บตายอันเป็นเรือนรังแห่งทุกข์นี่แหละนีพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายท่านบุตรพ้นไป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 เป็นมีความสุขความเจริญหวังอยากได้สิ่งที่พึงปรารถนาเพื่อความเป็นสุขแต่ความจริงก็มีแต่ความหวังและแม้ได้ได้มาแล้วก็หาความสุขไม่ได้ดังความคาดความหมายไว้นั้นมันมีความผิดหวังไปตลอดเวลาผิดคาดผิดหมายผิดความคิดเป็นเรื่องด้นเดาไปเสียหมดเพราะฉะนั้นโลกจึงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากแต่ไม่มองเห็นความทุกข์ความลบากของตน พอที่จะเกียดจะเกียดตะกายด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเท่านั้นเองให้หลุดพ้นไปเสียแล้วขณะจะตายเป็นอย่างไรบ้างใครอยากตายในโลกนี้ก่อนจะตายนั้นถูกบีบบังคับขนาดไหนก็เสียกระสนกวนกระวานมากต่อมากหาสติสตังไม่ได้เพราะทุกบีบบังคับสติสตังจุไม่มีอยู่กับตัวได้เลยเพราะถูกทุกบีบบังคับอย่างรุนแรง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 สร้างไว้ก็พอประทังกันไปได้หรือพอบรรเทาไม่ได้เป็นทุกข์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานของมันนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มาจากความเกิดทั้งนั้นสิ่งที่จะพาให้เกิดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิด เกิดมาเป็นพบเป็นชาติเช่นเป็นเราเป็นท่านอยู่เวลานี้ก็เป็นเพราะอะไรพาให้เกิดมาเป็นเช่นนี้เราก็ไม่รู้ความรู้นี่รู้อยู่ธรรมธรรมดาธรรมดาเพราะจิตครองร่างอยู่ไม่รู้ได้ยังไงก็ต้องรู้แต่ที่จะรู้ยืดยาสาวหาเหตุหาผลแห่งความเป็นมาของตนว่าเป็นมาเพราะอะไร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 แต่ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงที่ควรจะรู้ในกล่าวถึงเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายทุกๆุกรายไม่มีเว้นที่อยู่ในแดนโลกกานาอันเต็มซึ่งมีกิเลสดฝังอยู่ภายใ น, นจิตใจแล้วจะต้องได้รับเช่นเดียวกันนี้หมดแม้จะไม่เป็นนับรายบุคคลรายสัตว์มีจนวนมากน้อยเย่างไรก็ต า, าม ธรรมชาติที่บอกบ่งบอกเป็นความแน่ชัดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องได้รับความทุกข์ความทรมานนั้นก็คือสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันฝังอยู่ภานจิตใจด้วยกันทุกรายเหตุใดทุกข์จะไม่เกิดมเมื่อสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันฝังจมอยู่ภาณในใจและผิดตัวขึ้นมาเพื่อความเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเอาสิ่งใดมาเป็นสูต เนี่ยท่านว่าอาวิชชาแล้วก็ต่อเนื่องกันไปว่าอาวิชชาปฏิยาสร้างฆาราสร้างฆาราปฏิยาวิญญาณังก็คือเรื่องต่อภพต่อชาติไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการยับยัง้งได้เลยนั่นแหละเป็นตปอยู่อย่างนี้และเคยเป็นมาอย่างนี้นับกับนับกันไม่ได้มาปัจจุบันนี้ก็ที่เป็นเป็นภพหนึ่งของเราถ้า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 และพบเหล่าที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับความทุกข์จากมันทั้งนั้นถ้าพูดที่จะพินิจพิจารณาตามหลักาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเท่าที่แบกหามความทุกข์มามากต่อมากนี่จะซึ่งเป็นจำนวนไม่รู้กี่ล้านล้านพบนี้ก็พออิดนาละอาใจได้แล้วสาหรับชาวพุทธเราพูดย่อๆปอะมานี้เลย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 เสียดมันแทงมันบีบบังคับอยู่ในท้ำกลางแห่งสารธรรมของผู้ปฏิบัติด้วยความสำคัญตนว่าเป็นนักบวชนี้เท่านั้นจะเป็นอื่นเป็นอะไรไปที่ไหนแล้วที่จะต้องแบกพบแบกชาติก็เท่ากับว่าแบกกองทุกนั่นเองไปอีกกี่ล้านล้านพบหาประมาณได้ที่ไหนถ้าสมมติว่าทางเดินเป็นขอบดองแล้ว เราลังเดินในบนขอบดงลองดูสิเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำมีทางออกที่ไหนไม่มีทางออกเพราะขอบดงนี้มันกลมนั่นละเดินประสักกี่กับกี่กันก็ไม่มีทางออก น, น, นี่แหละการที่กิเลสวัฏตะวณมันพาให้เดินให้วกให้วนเป็นเหมือนกับเราหรือมดเดงไตขอบดงนั่นเอง จะผิดไปไหนสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าประกาศกังวาลโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ได้สองพันห้าร้อยปีกว่าแล้วว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหากไม่มีเครื่องฉุดลากออกจากขอบร่งคือวัตวุนี้กราบใ ด, ดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีต้นไม่มีปลาย ทางเข้าทางออกของวัตวนนี้ซึ่งเป็นเหมือนขอบดงเราลองพิจารณาดูสินักปฏิบัติเราความทุกข์แม้แต่มาเฉียดนิดเดียวชั่วขนาดเท่านั้นเป็นสิ่งที่ใครเล่าจะปรารถนาอยากสัมผัสสัมผั์มันแล้วยังจะแบกกองทุกข์นี้ไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้แล้ว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 เชืออันเป็นทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจให้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนี่เป็นความถูกต้องเป็นความชอบธรรมสำหรับนักปฏิบัติธรรมของเราแต่ทีนี้ได้กล่าวถึงเรื่องวัตตวลของสัตว์ไม่ไม่มีวิญญาณดวงใดไม่ว่าพบหยาบพบละเอียดที่อยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ อันเต็มไปด้วยเอออันเป็นที่บรรจุบิญญาณของสัตว์โลกคือการมโลกรูปประโลกอรูปประโลกหรือการมาพบรูปประพบอรูปปรพทั้งสามพบนี้คือแหล่งแหง่งความเกิดของสัตว์ทั้งหลายต้องเกิดในแหล่งนี้แหล่งใดแหล่งหนึ่งตามแต่บุญแต่กรรมของผู้ที่ได้สร้างมามากน้อยจะได้รับความดุขความทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรอัน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 ขึ้นสู่ที่สูงหรือค่าจากหล่มลึกเช่นน้ำเป็นต้นให้พ้นเสียจากสิ่งทุกทรมานทั้งหลายที่เรียกว่าโอะนะแล้วก็ไม่มีทางไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นธรรมจริงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่ง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 คนก็ตา่างไม่มีใครสามารถชาฉลาดรู้ทมทั้งหลายอันเป็นเครื่องลื้อถอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปจากทุกนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นเลยดังนั้นทำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นเป็ น, ปนที่ฝากเป็นฝากตายของสัตว์โลกหาที่เปรียบประมาณไม่ได้เพราะผู้ที่จมอยู่ใน กองทุกหรือจมอยู่ในน้ำร้อนกำลังเดือดพลานนั้นทำไมจะไม่หวังความชุ่มเย็นไม่หวังความลุดพลเมื่อมีผู้เอื้อมมือลงไปเพื่อจะฉุดลากขึ้นมามือสาตนรกตัวใดจะนิ่งนอนอยู่ได้ยังไงต้องเอื้อมขึ้นมาลับขึ้นมารับชาติโกกี่หมืน่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านรายละ่ะกับพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวลองคิดนาดูสิ เนี่ยหรือขนสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาจากกองนุกกองนรกนรกทั้งเป็นของภพของชาติหนึ่งหนึ่งก็มีนรกเป็นในหลุมต่างๆดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีหลายประเภทแห่งนรกจะเป็นประเภทใดก็ต า, ามที่ควรเอื้อมมือขึ้นมารับความเมตตาของพระพุทธเจ้าด้วยอัตยทุทธธรรมนี้ต้องเอื้อมขึ้นมาจนได้ต้องส่อต้องแสต้องสแสวงหา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 เมื่อตนได้ประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภานในกิจใจเผาไหมา้ตลอดเวลาออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วได้นำท ร, ร ม, มโอสถที่เป็นผลอย่างยิ่งมาแล้วนีประกาศทรรมสอนโลกให้พุทธะเพื่อช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับก็มีความกว้างขวางออกไป องนั้นปร ะ, ประกาศศาสนาอยู่ในแดนนั้นแดนนั้นทิศนั้นถ้าพูดจังหวัดก็จังหวัดนั้นอำเภอนี้เลื่อยไปตัดโลกก็มีทางที่จะได้บำเพ็ญ ง, งามความดีและดูพ้นไปตามได้เป็นจานวนมากมายดังเราได้ทราบแล้วในประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกในวงพระศาสนานี้นี่เมื่อสรุปลงแล้ว เรานี่เป็นคนหนึ่งที่ควรจะได้ทรงวาสนาพอที่จะยังตนให้หลุดพ้นไปด้วยด้วยอัตธรรมของพจ้าโดยการปฏิบัติ ต, ตนอย่างเข้มแข็งพระความเห็นไยในทุกตังที่กล่าวมาแล้วนี้เพระทุกเป็นทุกจริงๆไม่ใช่หลอกลวงใครว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเจอเข้าแล้วควรจะเข็ดต้องเข็ดถ้าผู้มีธรรมในใจบ้าง นอกจากผู้ไม่มีธรรมในใจก็เช่นเดียวกับเขาโยน <c oughs> โกบโยนเจียดลงในหม้อน้ำร้อนนั่นแหละโยนลงไปเท่าไหร่ก็จมจมไปหมดไม่มีความหมายอันใดเลยพอที่จะเห็นโทษนี่เราบวชมาในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยด้วยอัดด้วยธรรมของมุขเจ้าอันเป็นเครื่องสองทางให้เห็นโทษเห็นภัย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 ยอดย่ น, ยนเข้ามาก็คือว่าอยู่ในตัวของเรานี้ด้วยกันเพราะสิ่งที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาก็มีอยู่นี้ท่านเรียกว่าอริยสัจสี่คือทุกหนึ่งสมุทัยเหตุให้เกิดทุกหนึ่งนิโรธความดับทุกหนึ่งมรรคทางดำเนินเพื่อความดับทุกหนึ่งมีอยู่ที่กายที่ใจของเรา เราเวลาเรารู้จะต้องรู้ขึ้นที่กายที่ใจอันเป็นวงอริยสัตว์อยู่นี่ไม่รู้ที่อื่นต้องรู้ที่นี่นี่ควรจะรู้ทำไมมันไม่รู้ ทำที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีการสถานที่เวลําเวลาพอที่จะล่วงโรยไปไหนเอื้อมไม่ถึงหรือก้าวไม่เข้าไม่ถึงหรือไปไม่ทันมีอยู่กับกายกับใจของเหล่านี้สติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้บํารุงรักษาลึืให้จะบำรุงส่งเสริมให้จะเดินรุ่งเรืองขึ้นได้ เพื่อปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายอันมีอยู่ในจุดคือใจดวงเดียวกันได้แก่สมุไทยสมุไทยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์หรือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์เป็นผู้ผิดแห่งทุกข์ทั้งหลายผู้นี้และเป็นผู้ผิดทุกข์เป็นผลสมุไทยเป็นต้นเหตุเป็นผู้ผิดเมื่อดับสมุไทยนี้ได้โดยสิ้นเชิงภายจิตใจแล้วทุกข์ภายในใจก็ดับ ชนิดไม่มีอะไรเหลือท่านเรียกว่านิโรธนะดับทุกนี้ดับเพราะอะไรเป็นเครื่องดับไม่มีเครื่องดับทุกนี้ดับกิเลสเนี่ยจะดับอะไรคือดับสมุทัยนั่นแหละแล้วก็เป็นการดับทุก์ไปในตัวของมันการดับสมุทัยนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้โดยแจ่มแจ้งชัดเจนไม่น่าจะสงสัยท่านส ม, มาธิฏฐิสัมมาสังกปุจนกระทั่งถึงสัมมาส ม, มาธิมากแปด เครื่องดำเนินประกอบกันมีแปดประกาศหรือมีแดชนิดนี่เรียกว่ามรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรได้แก่องปัญญาที่มีความเฉียดฉลาดแหลมคมควรแกการปราบปรามกิเลสให้สิ้นรากไปได้โดยไม่สงสัยนี่ต่อสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับเช่นสัมมาสตินี่ สติกับปัญญาต้องกลมคืนกันไปท่านกล่าวไว้เป็นลำดับว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรแล้วก็สัมมากรรมันโตสัมมาวาจ า, านี้สัมมากรรมันโตสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกนั้นที่ให้เหมาะสมที่สุดกับเพศของตนนั้นคืออะไร ไม่ใช่เที่ยวการก่อการสร้างให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองเขาพระผู้ปฏิบัติเพื่อความบุดพณ์และเพื่อสังหารสมุทัยตัวมันดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ภายในจิตใจให้สิ้นซากไป ก, ก็ได้จากการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องก ำ, ก, ำกับรักษาและเป็นเครื่องกำจัดยิเล สมุทัยทั้งหลายด้วยวิธีการเหล่านี้ยืนก็เพียนเดินก็เพียนนั่งก็เพียนท่านเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาหรือนอนภาว น, นาก็ได้เนี่ย่ากิเลสได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะเรานอนอยู่กิเลสก็เกิดได้เมื่อเป็นโอกาสที่มันจะเกิดได้เมื่อไรมันต้องเกิดแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำจะเกิดได้เมื่อไหรทำก็ต้องเกิดและสังหารกิเลสในขณะเดียวกันเช่นเดียวกัน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 แม่ที่สุดฉันจะหันอยู่ก็มีสติมีปัญญาควรจะพิจารณาทำแงใดก็พิจารณาควรจะบุรีกรรมธรรมะบทใดก็บริกรรมนี่เรียกว่าเป็นความเพียรในขณะที่โกกที่ฉันอยู่และียาบท่างๆเป็นไปด้วยความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่ควรแก่การที่จะสังหารกิเลสได้เมื่อสั่งสมให้มากต่อมากสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ว วิริยะความภาคเพียรหนูนหลังความอดความทนในการต่อสู้กับกิเลสไม่ถอยหลังสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปโดยลำดับบท่านเรียกว่ามากทั้งนั้นและกิเลสก็ต้องอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงนี่ท่านเอวส์สัมมากรรมมันโตหรือสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะให้ระมัดระวังอารมณ์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 สัมมาอาชีวะที่บินทบาตมาขกมาฉันนั้นเป็นประเภทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่แม้จะเดินไปเดินไปบินทบาดก็ตามก็ไม่พ้นที่จะต้องประกอบความภาคเพียรไปกับการก้าวเดินนั้นนั้นมีสติมีปัญญาครองตัวไปอยู่ตลอดเวลานั่นท่านเรียกวบบบินทบาทเป็นวัดสัมมาอาชีวะ เบญทบาดมาเลี้ยงอัตภาพก็เป็นความชอบธรรมอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตก็เป็นอารมณ์แห่งธรรมเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปหล่อเลี้ยงนี่ก็เกียสัมมาอาชีวะเนี่ยสัมมาวายามะก็เพียรชอบท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้ว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 เพี้ยนบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคือเพียรบำเพ็ญสติปัญญาตนให้แกีกล้าสามารถนั่นแหละเมื่อสรุปลงแล้วท่านว่าเพียนในที่สี่สถานนี่ก็พูดเพียนย่อๆย่อๆไม่ได้พูดอะไรไปมากมายแล้วก็เพียรเช่นอย่างละกิตท้งเรามีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็พยายามเพียนรักษาทำเหล่านี้ให้คงเส้นคงวาและหนาแน่นขึ้นไปดูดับไม่ให้เสื่อมไปเสียเนี่ย นีท่านแบบเพียนในที่ศีรษะฉันสัมมาวายามะเพียนชอบอย่างนี้สัมมาสติก้าวเดินไปไหนก็าตามมีสติอยู่กับการก้าวเดินหรืออยู่กับความภาคเพียนเช่นอยู่กับคําบุริกรรมอยู่กับการพิจารณาทำทั้งหลายในแง่ต่างๆมีสติติดแนบไปกับปัญญานั่นท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิ ก็คือความสงบโดยชอบธรรมที่เกิดจากสติพวกลุ่มเอาไว้เช่นเรากําหนดอนาปานาสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ให้เผลอไผลไปที่ไหนหอิจเมื่อได้รับการบํารุงรักษาจากสติด้วยดีแล้วย่อมจะเข้าสู่ความสงบเพราะปราศจากสิ่งที่จะรบกวนใจเหมือนดังที่เคยเป็นมาใจจะสงบเมื่อไม่มีอะไรรบกวนะ ถ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิทั้งแปดประการนี้รวมตัวมีกำลังแล้วก็ย่นเข้าไปสู่จิตดวงเดียวสมาธิก็แน่วแน่แนฟังสิสมาธินี้เป็นบาทฐานที่จะสังหารกิเลสด้วยปัญญาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆ ประกอบหน้าที่การงานด้วยปัญญาได้ด้วยความสะดวกไม่มีอะไรเข้ามาขัดข้านต้านทานด้วยความหิหโหยดังที่จิตไม่เป็นสมาธิเมื่ออบรมสติอบรมปัญญาให้มีความคล่องตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทในเอียบบทต่างๆที่เรียกว่าเป็นความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตย่อมได้รับความผ่องใส ความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นสติปัญญาก็มีความแกล้กลาสามารถรักษาจิตได้โดยถูกต้องแม่นยำและสังหารกิเลสที่จะเกิดขึ้นภายใน จ, ใจิตใจจะเป็นประเภทใดก็าตามสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวนั่นนี่เหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มกักคือเครื่องดำเนินหรือทางเดิน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 ภาวนาสามประการนั่นในกล่าวไว้ในปัญญาสามประเภทว่าสุตมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังหนึง่งอินตามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใ่ตรองหนึ่งภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้น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 ปสติปัญญานี้จะทำลายโดยลาดับลาดา<ำ><ำ>คือกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นเมื่อสติปัญญานี้ในเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นเริ่มรู้เริ่มทำลายกันไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นสติปัญญาคร่องตัวเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไม่มีการบังคับบัญชาถูถ่ายเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาเพราะเป็นปัญญาคร่องตัว เพราะเป็นปัญญาอัตโนมัตินี่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสังหารจิเลตจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสมุจเฉตตปะหารไม่มีอะไรเหลือเลยนและพระอรหันต์ได้สําเร็จตนเป็นพระอระหันต์ก็เช่นเดียวกันล้วนแต่เป็นผู้สําเร็จด้วยภาวนามยปัญญานี้ทั้งนั้น นี่ละภาวานาภาวานามยปัญญานี้จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นผู้ที่เป็นขึ้นในตัวของเราและเป็นที่แน่ใจว่าพบชาติจะมีกี่ล้านล้านพบก็าตามเถอะจะต้อ ง, งอร่วมกันมาสังหารในจุดเดียวกันคือจุดปัจจุบันได้แก่ใจดวงนี้ที่มีเชื้ออวิชาพายเกิดอยู่ตลอดเวลา มีอยู่จุดเดียวนี้สติปัญญาประเภทนี้จะยังเข้าไปสู่จุดนี้เมื่ อ, อยังเข้าไปสู่จุดที่เป็นรวงรังของอวิชชาอันเป็นตัวภบตัวชาติแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากไม่มีอะไรเกิดดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญา จะได้แก่สติปัญญาประเภทใดก็ได้แก่สติปัญญาประเภทภาวนามยปัญญานี่แหละตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ภาวนาประเภทนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วคล่องแคล่วแกล้าไปโดยลำดับจึงกลายเป็นมหาสติมหาปัญญารอบตัวอยู่ที่ไหนก็หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาคนา้นคว้าคุ้ยเขีย่ยวขุดคน้นหากิเลสอันเป็นตัวภัยซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจิตใจ อาการได้แสดงออกมาถูกฟาดฟันหั่นแหลกด้วยสติปัญญาประเภทนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือสุดท้ายก็พังทลายเรื้เยดประเภทต่างๆอวิชชาตันหาอุปทานซึ่งฝังจมอยู่ภานจิตใจให้เราเกิดเป็นพบเป็นชาติกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านพบประมวลเข้ามารู้มาเห็นกันที่จุดนี้จนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วทาไมจะไม่ประกาศตนขึ้นโดยทางใจ ว่าเรื่องพบเรื่องชาตินั้นได้สิ้นสุดไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือที่เกิดผ่านมาโดยลำดับก็เพราะธรรมชาตินี้พาให้เกิดแล้วที่จะเกิดไปในอนาคตกี่พบกี่ชาติหาประมาณไม่ได้นั้นก็คือธรรมชาตินี้เดี๋ยวจะพาให้เกิดแต่บัดนี้ธรรมชาตินี้ได้ถูกสังหารสูญสิ้นไปภายนจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสิ่งที่เหลือได้แก่ความบริสุทธิ์พิมุต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 นี่คือการประมวลของภพชาติทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและที่ยังอยู่ข้างหน้าซึ่งจะเป็นจิตดวงนี้ไปเกิดได้ประมวลลงมาจุดเดียวนี้เป็นจุดที่บริสุทธิ์วมุดผนิพานไม่ถามและผนิพานข้าลงได้ถึงจิตขั้นบริสุทธิ์นี้แล้วถามหาอะไรเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเกิดจาเจ็บตายมาขี่ภพกี่ชาติประมวลลงมาสังหารในจุดเดียวกันที่หมด คืออวิชาเป็นต้นเหตุเหมือนกันกับต้นไม้ ต, ตัดกิ่งตัดก้านตัดดอกตัดใบก็ยังไม่ตายตัดเข้ามาลากฝอยเข้ามามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่ตายและตัดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพวดขึ้นมาแล้วชัดไหมที่นี่ว่าต้นไม้ต้นนั้นตัดกิ่งไหนมันก็ยังไม่ตายกิ่ไหนก็ยังไม่ตายเมื่อถอนรากแก้วพวดขึ้นมาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วแน่ใจไหมที่นี่ว่าต้นไม้ต้นนี้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 รากแก้วนั้นหมายถึงรากแก้วของต้นไม้นั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงอวิชชาตัวมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วตัดรากนั้นเข้ามาตัดรากนี้ามาจรนั่นจริงนี้คือเรื่องกิเลสตัณหานั่นทําลายเข้าไปโดยลําดับลําดาแต่ยังไม่ถึงจุดจนกระทั่งถึงข้าวถึงรากแก้วและเกวอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาถอนทรวดขึ้นมาด้วยมหาสีมหาปัญญาแล้วชัดเจนเช่นเดียวกับเขาถอนรากแก้วของต้นไม้ขึ้นมา ไม่มีการที่จะทรงตัวอยู่ได้อีกต่อไปเนี่ยจิตนี้ก็ที่ที่เลียบสิ้นไปแล้วนี่ไม่มีที่จะไปเกิดพบเป็นชาติในสถานที่ใดๆทั้งสิ้นอีกได้เลยเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่แหละธรรมชาติที่ประเสริฐภาณกนจิตที่เคย ล้มเหลวเร็วสา ม, มาแต่ก่อนคือจิตดวงนี้ที่มีสิ่งโสกตกโสมมเข้าไปฝังจมอยู่ภา น, นนั้นได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทธโธอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วในผู้ปฏิบัติ <c oughs> ตั้งแต่บัดนั้นต่อไปหมดเรื่องอารมณ์อดีตอนาคตเรื่องความกังวลที่จะไปเกิดที่ไหนต่อที่ไหนไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีสถานที่ที่จะเกิดจะตายเวลาเวลาไม่มีหมดไปเลย เพราะจิตตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเกิดความตายกับสถานที่เวล่ำเวลาอันเป็นเรื่องของสมมุตินั้นเลยเนื่องจากธรรมชาตินี้พ้นสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วใครจะไม่ประจักษ์เมื่อได้ถึงขั้นประจักษ์แล้วใครก็ใครเถอะประจักษ์เหมือนกันหมดไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้เสียเวล่ำเวลาให้ลำบากเปล่าๆเขาจะว่าอารหันบ้าหรือพราะผู้บริผู้บริสุทธิ์บ้าถ้าบริสุทธิ์โดยชอบธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้ทางนั้น กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิท re. พระพุทธเจ้ามีกี s, ่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ไม่ปฏิเสธกราบราบทีเดียวว่าเป็นความจริงเพราะผู้สร้างบารมีมาโดยลําดับนานมีมากี่กับกี่กันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบารมีเต็มเปี่ยมแล้วทําไมจะมีไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกครานมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนได้แก่ความมีสุภิมุตติพุทโธนี้ เรายังรู้ได้เห็นได้ได้มาจากไหนรู้ได้จากไหนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นผู้แนะนำสั่งสอนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเห็นได้อย่างไงปฏิบัติตัวได้อย่างไงนี่แหละเป็นพยานเครื่องยืนยันว่าพระศาสนานี้มีเจ้าของอริยสัจนี้เป็นรากเง้าข้ามูลหรือเป็นรากแก้วของพระศาสนานโดยแท้จริงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหัตลหันทั้งหลายก็ดีตัดสรุปทำบรรลุธรรมขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยสัจสี่นี้ โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเจ้าของก็ประจักษ์ในเจ้าของเองยืนยันในเจ้าของเองหาที่คัดค้านต้านทานเจ้าของไม่ได้แล้วทําไมจะไม่หมอบราบต่อบพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระอวัตสายทางเดินให้พวกเราทั้งหลายนี่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นละ่ะนี่เป็นเครื่อ ง, งยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นฉันใด อ, องค์เหล่านั้นก็เป็นฉันนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ใดก็ตามท่าน ธรรมชาตินี้เป็นชั้นใดท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นชั้นนั้นมาแล้วนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นยอมรับกันด้วยความจริงอย่างนี้เป็นที่แน่นอนเป็นที่แน่ใจนี่หละพวกเราทั้งหลายได้มาบวชในะพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนแล้วอยู่ในท่าคกลางแห่งตลาดสดของมะพรุนนิพพานมีกีนแล้วทำไมจึงนอนเฝ้า นั่งเฝ้านอนเฝ้าจมอยู่กับมูดกับพูดคือเฉลีใใจจ่ยปัญหาภายในจิตใจโดยไม่สนใจกับมรรคผลิพานด้วยข้อปฏิบัติอันแท้จริงเราจะไปหวังเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารในโลกนี้โลกนี้มีอะไรเป็นสาระแก่นสารพอที่จะคืบคลานไปหามันแล้วเกิดความเสื่อมขึ้นมาเรานอกจากผิดหวังผิดหวังเพราะเราคว้าจับไม้ผุไม้ตายต้องพาหักพาพังลงไปทั้งนั้นนี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 ความเที่ยงตรงหรือถาวรจากมันด้วยความมุ่งมั่นหรือด้วยความํำพันผิดก็เป็นความเป็นยาพิษที่จะเผาเราตลอดไปให้ผิดหลังผิดหลังไปโดยไม่มีการไม่มีประมาณนั่นแหละนี่นอกจากจะปฏิบัติตนให้ได้ถึงความพ้นทุกประจักภายในจิตใจแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงท่านว่าอนารโยนะอนารยหมดอะไตายอยากแล้วเพราะได้เคยคุกเขากันมานล้ง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 นี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะไม่จะว่าบุญประเภทใดก็ตามก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยพาดดำเนินมาแล้วถ้าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจนกระทั่งถึงมิมุติบุดพ้นไม่นอกเหนือจากไปจากศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไม่นี้เพราะประกาศสอนไว้ด้วยความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงแล้ไม่ใช่สอนแบบด้นด้นเดาๆเก้าหม่ เห็นจะเป็นอย่างนั like like ้นเห็นจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาหลอกสัตว์โลกให้จมไปด้วยเช่นเดียวก็ขี้หลอกขี้เลอะมันหลอกมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสอนโลกสอนด้วยความรู้ความเห็นมาแล้วทั้งนั้นวันนรกมีเขามีจริงๆริงองค์ไหนปฏิเสธกันได้ที่ไหนเคยเห็นมีไหมในตาหรับตําลาบว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้อสอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง พรรมโลกมีจริงนิพพานมีจริงแต่พระพุทธเจ้าองค์หลังนี่มาตรัสรู้ค้านกันว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีธรรมโลกไม่มีนิพพานไม่มีอพระพุทธเจ้าองค์นั้นโกโองค์นี้จึงแท้จึงแท้จริงๆมีไหม่ไม่เคยมีร้อยทั้งร้อยหมื่นแสนนนั้ล้านพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสรู้มาแล้วใ น, นตำ ร, ราตำราท่านมีบอกไว้อย่างชัดเจนตํารานี้ก็ไม่ใช่ตําราที่หลอกลวงโลกเป็นตําราที่ถอดออกมาจากความไมจริงแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ที่ได้ประกาศทำสอนโลกด้วยความหลอกลวงและคัดค้านกันมีใหม่ไม่มีเลยเพราะเหตุไรเพราะท่านสอนด้วยความเป็นจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วจึงนํามาสอนทุกๆพระองค์ไปบาปบุญนรกสวรรค์พรมโลกนี้ผ่านเป็นสิ่งที่พระรุจ่าทั้งหลายได้ทรงรู้ทรงเห็นประจักพระทัยมาแล้วจึงแนะนําสิ่งนี้มาสอนโลกมันจะผิดไปไหนนอกจากกิเลสมันหลอกลวงโลกซึ่งเคยหลอกลวงมาตั้งกับตั้งการกี่คพ ก, กี่ชาติมีแต่หลอกแต่ลวงหาของจริงมาได้ก็คือกิเลนัเอง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 สถานที่กเกษมส้สำราญบานใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนด้วยอัดด้วยทำนั้นเลยเง้นเล่าพิจารณาสิแล้วเราก็เคยเชื่อกิเลสมากี่กับกี่กันแล้วแล้วยังไม่เบื่อไม่พออยู่หรือตั้งแต่อาหารเขารับทานตอนเชา้าตอนเย็นมารับทานอาหารประเภทเก่าเขายังเบื่อฮเพราะอะไรเพราะเพราะอาหารนี่ก็รับทานแรงมื้อเช้านี่รับทานน้ำซ้ำซากๆมันก็เบื่อนี่แล้วกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงความรักความชัง มันซ้ำซ้ำซากซามากี่กับกี่การแล้วทำไมไม่เห็นเบื่อทำไมไม่เห็นโทษของมันนี่ก็เพราะกลอุบายของมันที่หลอกไว้อย่างแนบสนิทที่สุดเราจรึงหลงเราจรึงพเพลินไปไม่มีคําที่จะรู้สึกตัวพอที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายอิ่มพอกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเดนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเดนถ้าปเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่เอี่ยมมาเอี่ยมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกกินนี่ติด จ, จมกันแล้วยิ่งหมุนตัวเข้าไปไม่มีวัน ที่จะลดหย่อนผ่อนตัวเลยนัะนถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรคมีแต่คันเร่งเร่งจนกระทั่งจมลงในคลองเดี๋ยวนี้กําลังกิเลสมันหมุนตัวเข้าสู่หัวใจของสัตว์ด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายทุกสิ่งทุกอย่างมาทั้งทางนอกมาทั้งทางในเอาเข้ามาหลอกกันต่างคนต่างหลอกหลอกกันไปสุดท้ายก็จมไปด้วยกันไม่มีใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันแหละอันผู้ที่ปฏิบัติตามกิเลสหลอกลวงเนี่มันต้องเป็นอย่างนั้น เราเป็นนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะทำไมไม่เอาธรรมะเข้าไปจับมันบ้างละ่ะเมื่อจับแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงมีอยู่ต้องเห็นของจรงิงแล้วของปลอมมันก็มีอยู่ทำไมจะไม่เห็นของปลอมแล้วมันทำไมจะแยกกันไม่ออกละ่ะเมื่อทราบว่าของจรงิงของปลอมชัดเจนแล้วต้องแยกออกสินี่เราจะแยกโดยอันใดทำแยกไม่ได้อย่างไรผู้ทีข้าพพาแยกมาแล้วสาวกทงหลยท่านพาแยกมาแล้วต้องแยกได้ถ้าตั้งใจพึ่งปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นจึงอย่าพากันมานอนจมเฉย มาปฏิบัติธรรมอย่าให้หนัก อ, อกหนักใจในการพืชปฏิบัติธรรมให้เอาจริงเอาจังพอฉันเสร็จแล้วต่างองค์ต่างให้หลีกไปสู่ที่ประกอบความภาคเพียรให้ทําหน้าที่ของตนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงโดยสมบูรณ์อย่าให้บกพร่องในความเพียรเหล่านี้สิ่งใดจะขัดเกินบกพร่องประการตามโลกอันนี้จังนี้เรายกให้พออาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่า น, นั้นการอยู่การกรบกันฉันก็เห็นไหมอาหารการบริโภคมันเหลือเฟือล้น ท่วมจนจะตายไม่รู้ตาหว่าน้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาล น, น้ำพริกน้ำแกงท่วมอยู่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งทำงอกไม่ได้เกิดไม่ได้ล้มละลายไปหมดนะในหัวใจหากจะพอมีบ้างนะนี่มันไม่มีอะไรให้ท่วมที่ทำมันมีแต่กี่เล็มันจึงพ่อคูณเอาพ่อคูณเอาโลภจนไม่มีเมืองพอ น, นั่นเป็นอย่างนั้นพินาสิความจริงแล้วก็อาหารเหล่านี้ท่านเรียกอ่าปัจจัยเครื่องอาศัยช่วงระยะการเท่านั้น พอให้เป็นไปสืบต่อแห่งชีวิตแล้วจะได้ประกอบความภาคเพียรไมไ่ถือเป็นของวิเศษวิโสอะไรเลยส่วนที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริ ง, รงคือการประกอบความภาคีเพียรเพื่อชําระกิเดสอันเป็นตัวพิษตัวภัยฝังใจมานานนี่ให้มันสิ้นซากไปจากใจจะได้กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาโดยไม่ต้องเสกสรรใดๆแล้วให้มันเห็นมันรุนในภายจในจิตใจนี่นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นเพรนะนั้นการประกอบความเพียรยาภาการขี้เกียจขี้คร้านนะ การอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความให้อภัยด้วยความสงสารด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันอย่าอยู่ด้วยการยกโทษยกกรอย่าอยู่ด้วยการสอดแทรกอย่าอยู่ด้วยกันแซงหน้าแซงหลังอยู่ด้วยอย่าอยู่ด้วยกันด้วยความอวดดิบอวดดีว่าตนดีอย่างนั้นตัวแก่งนี้ตัวนี้ละตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันทําลายหมู่เพื่อนให้ระวังให้ดีมันมีอยู่กับรายใดฮะพิจารณาสิถ้ามันมีไร่ออกจากวัดอยามันมีเหลืออยู่ในวัดนะ ของเหล่านี้นะ่ะไม่ใช่ของดีเอามาอวดทําไมกิเลสเอามาสอดมาแทกทําไมมาปวดดิบปวดดีทำไมอย่าให้มีนะในวัดนี่มีไหมถ้ามีต้องออกอย่าให้อยู่ให้มันหนักวัดนะเราไม่ต้องการอย่างยิ่งเพราะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนหมดไส้หมดปุงหม ด, หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาเราจะตายอยู่ในเขาไม่มีใครทราบเราอะเราเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่เล่นเลน่บอกโกงเลยว่าเราแทบเป็นตายได้เป็นเวลาเก้าปีถ้าว่าเป็น นั่ ง, งวยก็ต่อยไ ม, ไม่ไม่มีกรรมการแยกเลยเอาใครเก่งอยู่บนเวทีใครแม่เก่งให้ตกลงไปเลยไม่ต้องกุศลธรรมมากันละเพราะคนโง่บุศลาใ ห, มให้มันทำไมให้กิเลสม่นกุศลาเอามันฉลาดกว่านั่นนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดโอหังอะไรเลยนะพูดด้วยความจริงใจเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้มาปฏิบัติได้ถึงใจได้มีเกียรใ จ, ใจใคือปฏิบัตินี่เวลาทุกทจริๆ ง, งๆการปฏิบัติ ในงานในชีวิตของเรานี้เราไม่เคยเห็นงานใดที่จะอได้ประพฤติปฏิบัติทํำประกอบมันให้ยากให้ลำบากถึงกับเป็นสนับเป็นสนับตายเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยแต่งานฆ่ากิเลสนี้มีเท่าไหร่โฮมกันมาหมดไม่มีเหลือเลยเอาเป็นก็เป็นถึงถึงครั้งมั้งความมันจะเป็นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายว่างั้นเลยขอตั้งแต่ให้ชนะกิเลสขอให้ได้หลุดพ้น จากกิเลสนี่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นที่พอใจถ้ายังไม่หนุนพ้นอัตาก็ตายคําว่าแพ้มาให้มีอะให้ตกลงไปเวทีเลยตายก็ให้ตายอยู่นู้นเลยที่จะยกมือมายอมแพ้นี้ไม่มี น, นั่นฟังซิถึงเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆอาตาก็ตายเคยเป็นมาแล้วแล้วเคยคือพูดให้หมู่เพื่อนมาฟังมาแล้วมาจุ ก, กี่ลูป ก, กี่ข้างกี่หนเวลาเป็นอย่างอยู่อย่างนั้นใครไปเห็นใหม่ถึงหมดเวลาเดินตายออกมานี่สิหมู่เพื่อนยังไม่มารุมกัน เนี่ยแล้วสอนแล้วยังจะไม่ถึงกิตถึงใจยังไม่สนใจงันจะเอากิเลสเข้ามาอวดอยู่ในวัดในวานี่ยาให้มันหนักศาส น, นาเลยนะพระประเภทนี้นะให้ให้หนีมันจะเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนให้เรารับความทุกข์ความลําบากเพราะหมู่เพื่อนไม่ได้มีความประสงค์อย่างนั้นพระประเภทนั้นพระไม่มีใครประสงค์แหละอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทําให้ความแตกลาบไปที่ไหนให้ให้แหลกแตกล่าไปยุแย่ก่อควรยุ่งยากขวัญวุ่นวายอย่าให้มีนั่นในวัดนี้นะอไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องนั้นเรื่องเปรตเรื่องผี ในซากของพระในร่างของพระนะฮะอย่าให้มันมีนะมีไม่ได้มันเป็นเสนียบจันไหลมันเป็นที่เดือดร้อนจิตร้อนใจเป็นที่ทรมานใจของหมู่ของเพื่อนเป็นที่อิจฉาลอาใจยอย่างยิ่งที่เดียวและวัดนี้ก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นทําไมจะไม่เกิดขึ้นก็ทําไมจะจ ะ, จะไม่ร้อนละ่ะก็สิ่งเหล่านี้น ใ, นใครว่าดีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าทุกทุกองค์ว่าดีเมื่อไหร่ท่านสอนก็สอนเพื่อให้ละสิ่งเหนี้นทําไมเราว่าเห็นเป็นของดี ว่าอวดดีปวดดีนั่นแหละมันอวดชั่วอวดความเลวของเจ้าของใครอวดอย่างนั้นอย่าให้มีนะฮะอยา่าอย่ามาสั่งสมอย่ามาฟักตัวอย่ามาก่อควรอย่ามาแทรกแซงเรื่องเหล่านี้เราเป็นใหญ่อยู่ในวัดนี้เราเป็นผู้ปกครองผิดถูกประการใดเราจะสอนหมู่เพื่อนหมดภูมิแล้วเราจะบอกว่าเราหมดภูมิอย่ามาอวดดิบวดดีแทรกแซงเข้ามาในเรื่องเหนี้ว่าตัวดีเร่องนั้นอย่างนี้เอาละเหนื่อยแล้ว เป็นไม่ได้มาเลยไงเป็นอย่างนั้นเลยที่เทศได้อ น, นี้บางก็เพราะว่าธาตุขันโรคหัวใจมันเวลานี้มันสงบเราทีน่นเทศได้เต็มอัธยาศัยห ร, หรือเต็มตามความถนัดใจของเร า, าเทศได้ละมั่นระวังเรื่องร่างกายแล้วมันไปไม่รอดอนะน่ะอืมอี่งโลโคเขยงเหมือนรถไม่ดีนเนี่ยคอยแต่จะลงคลองร้าง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 ทำที่ไหนใจนั่นที่เป็นผู้ทรงทะใจกับทมเปน็นเดียวกันนั่นทางดีผู้ขับเือร า, ายสติปัญญา น, นอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์นั่นผู้ขับดีรถดีคืออะไรร่างกายดีนั่นมันก็เรียบไปสิวันนี้ถ้าบกพ่องอะไรนหนึ่งก็เอาสิมเนี่ยพูดเฉพาะอย่างยิ่งทมในใจ บกคร่องทำในความจำมีเท่าไหร่ก็ไปไม่รอดไม่ฐานการทำในใจความจริงในใจทำในใจอยู่กับใจนี่เรียบเลยพุ่งพุ่งเลยทำความจำจะไปวคว้าคมภี์นั้นจะไปวควา้าคมภีนี้กว่าจะได้มาในสามชั่วโมงแล้วเลยจะเน่าเฟะแล้วพูดนั่งพูดพูดกนั่งคอยฟังนั่นเป็นยังไงต่างกันยังไงความจำกับความจริงมันผิดกันอย่างนี้ ขอให้มันเป็นขึ้นในใจสิพูดได้ทําไมพูดไม่ได้ออความจริงเหมือนกันหมดนั่นแหละพอใครใครเจอเข้าเหมือนกันหมดยอมรับทั้งนั้นเ่ะถ้าลงถ้าได้เจอเข้าไปแล้วคานได้ยังไงกระดังที่พูดตะกีน้นี้ขอให้เจอความจริงนี่สิความจริงนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นอันนี้เป็นอย่างไรบ้างนานมันบอกกันอยู่ในนี้เลย ดีรถ ด, ดีคนขับดีอันนี้ทำดีสติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติอยู่ภายในตัวเป็นสติปัญญาของจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงมันก็ผิดสติปัญญาทั้งหลายนี่แน่จิตก็ทาเป็นอย่างเดียวกันใชว่าจิต ด, ดีก็ได้ง ความรอบคอบความรอบในสิของสติปัญญานั <S an> <S an> <Shaun. S an> ้นที่จะขับขี่แล้วจิตกับทมให้ก้าวเดินออกตามความจริงของตนนั่นราบเรียบไปเลยนั่นพวกขณะไอตู่ก็ดีนี่นันงไม่แสดงกันไม่ได้นอนสบายเลยทุนมันวันนี้ดีมันบอกวนโมโว เม่อพหลั่งไหลมาโดยเฉพาะตอนเช้านึ่งคือรถหาที่จอดไม่ได้ทําไมไม่ทราบว่าวกี่พันจอดเอาไปต้นนูน้นจนกระทั่งถึงทางใหญ่ขเขาเปิดแจเป๊เป๊ะคือมันมีคันใดกันหนึ่งั่นแหละไปขี่ไปขวางทางเดินของเขาเข้ามาในบริเวณบ้านนี่ก็จอดตั้งนู้นนู้เข้าไปลึกๆเข้าไปหมดมันมีที่ทจอดมันมากต่อมากจัดทหารนี่ตั้งแต่เริ่มจาก จะทั่งถึงอนุโมทนาชั่วโมงกว่าฟังสิจากอาหารก็ก็ไม่ช้านะแต่มันก็นานขนาดนั้นดูออกอาหารหนุนกองเต็มตักจนกระทั่งบาตเต็มอาหารยังไั่หมดสุดท้ายก็ต้องเอาชามมาตักใส่ชามชามขนาดกว้างปากมันกว้างขนาดนี้ เต็มที่ไงตักช้อนเดียวช้อนเดียวน่ะอย่างละช้อนช้อนนนมัดูดึมากไหมพอจานเสร็จแล้วก็ได้พูดทําให้ฟังทุกทุกเช้าน่ะมันน่าสังสารอยู่เห็นครูบาอาจารย์ไปก็หิ้วกระหายมาจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยธรรมยิ้มแย้มแจ่มใสเี่แหล ทำอันนี้สําคัญมากเป็นจะพาให้สมหวังคือทํำนี่อะนอกนั้นมันอะไรให้สมหวังทำํำพาให้สมหวังถ้าเป็นโรคก็มีหวังจะหายเพราะมียามีหมอประจำแนะ่นอันนี้ก็มีทําเป็นเครื่องค้าประกันอย่างใดถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์จะพ้นไปได้ แล้วถึงแดนเกษมได้ด้วยธรรมเนี่ยเปลงตรงนั้นตรงนั้นขอนี้สัยก็ยังของให้สภาพใหม่หมวันเข้า ว, วันศาล้วขอทีเดียวเพราะเราไปนั้นไปนี่อยู่ตลอดทำไม่ได้จะทำไงมันจำเป็น